หน้าที่การการสอนขวายเพื่อปากเพื่อท้องก็ให้ขอนขวายเต็มกํลาลังเพราะนี่เป็นความจำเป็นเลยอาหารภายในจิตใจได้เกิอัดเกลาธรรมก็ให้มีความจําเป็นถึงการเวลาที่จะสร้างความมีงานเช่นวันพระวันศีนวันนี้วัส า, า, าร์อาิก็ให้บางเพนการกุศลเราเข้าวัดก็ได้ถ้ามีโอกาสไปเข้าเราทำอยู่ในบ้านของเราก็ทําได้นะอย่าให้เสียเวลา ถ้าสีธรามหาเหินจากใจแล้วคนจะเลอะเทอะนะไม่ว่าคนไม่ว่าพระเลอะเทอะไปหมดถ้าเราสีธรรมหาเหินจากใจถ้าศีธรามติดแนบจิตกับใจกับสติเท่านั้นเห็นไหมสติติดกับตัวปัญญาธรรปัญญาติดอยู่กับตัวว่าค่อยเผอคนเดีวถ้าสองอย่างนี้ขาดไปแล้วเผลอไปหมด